ตัวเราตัวคนน่ก็อยากเามาใกล้กัใกล้เขียงกับคําว่าอุบัติตกอุบัติกามากขึ้นน่ะ <c oughs> อุบาตตกอุบัติกานะแต่ว่าผู้ที่เรียกว่าเข้าใกล้น่ะเข้าใกล้พระรัตนตรัยเข้าใกล้อันนี้ก็เป็นรูปธรรมเนานะ เข้าใกล้หม่ยถึงว่าร่างกายเราก็เข้ามาใกล้กันทีจนระิงมันก็มีตัวนนะเหมือนเหมือนหลายคนหมั่นไปวัดใช่ไหม <c oughs> ก็พ <c oughs> อไปวัดก็ได้พกกบนะกับพระนะในกัมผัสกับบรรยากาศภายในวัดที่ที่สงบนะแต่บางวัดก็ไม่สงบ <c oughs> <c oughs> แต่วัดโดย แรกท่กินก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่านะสัพยานะสัพยาคือมีความพร้อมนะในหลายๆส่วนนะพร้อมทั้งสถานที่ก็ดีพร้อมทั้งบุคคลก็ดีหรือพร้อมทั้งทำก็ดีนะซึ่งเรียกว่ามันเหมาะสมในการที่จะทําให้เราเจริญนะโดยคุณงานความดียิ่งขึ้นไปเนี่ย อุบาสกอุบาสิกาก็คือคาราวานนะนั่นั่ะนักที่ไม่ว่าสนใจคำนี้ก็เข้าเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะดูนะพอพระพุทธเจ้าเองก็ก็สอนเรานักที่จริงพูะุทธเจ้าสอนธรรมะนี่อาจจะเยอะนะพระไตรปิฎกเนี่ยแปดมื่นสี่พันเล่มก็มีหลายคนอยากจะอ่านให้ให้มันหมดนะ แต่จริงจะอาจ่านไม่หมดก็ได้หรือไม่อา่านไม่หมดก็ได้นะเพราะว่าจะย่อนะผมขออนนี้นี้มันเด็กเพราะว่ายอ่ยอยแล้วมันพระเจ้าก็สอนแค่เรื่องทุกข์กับเรื่องความแบบทุกข์นั่นแหละนะมีแค่สองอย่างนะั่น แต่ท่านตอนไหลายคนมันก็เลยเยอะนะมันก็เลยเยอะเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมาก็มีมีข้อยอบรมก็มีคนจีนนะมายี่สิบกว่าคนตามติดคนนะมีคนไทยก็เลยร่วมเลยนะเขามีพินษุนีรุ่งหนึ่งเขาบวชทักสิบพรรษาแล้วก็ยืมยาหลับแต่ท่านก็เหมือนท่านใจบวชนะ อันก็ตั้งปฏิปฏิญาณปฏิทานว่าเหมอดี๋ยวจะอ่านพระสูตรให้หมดเลยแต่ตอนนี้อ่านให้หมดนะนแต่อ่านยาเยอะๆแล้นะก็ อ, กอ่านพระสูตรเยอะนะในไม่รู้จักคําสอนพระเจ้าเยอะแต่ก็ยังไม่เข้าใจเรื่องเรื่องการปฏิบัตินไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรนะ แต่พอได้มาปฏิบัตินะวิธีการเจริญสติอะไรนะพันะนบอกว่าเหมือนอที่เคยอ่านมาเ่ยพอวามปฏิบัติทําแบบนี้ถ้ามันเข้าใจอนะเข้าใจสิ่งที่ที่เคยอ่านเคยเรียนมาแต่ก่อนตอนอ่านตอนเรียนก็เหมือนก็ไม่ค่อยแตกฉานไม่ค่อยเข้าใจนะักว่าสิ่งที่วิชาผู้สอนนะ มันเป็นอย่างไรมันอะไรแต่พอมาปฏิบัติแล้วรู้สึกมันมันเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ในแตกฉานมากขึ้นแต่ก็อาจจะไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะแต่ก็เรียกว่าท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านก็เข้าใจมากขึ้นเนอะท่า mm hmm. มาตัวยุ่งวะก็ไม่ต้องไป อ, าอ่านครับที่ตั้งหลีดทานนะั่นจะอ่านข้อส่วนทั้งหมดนะนะอันนี้จําเป็นหลักนะอืมไม่จำเป็นอนะเอ่า เอาที่จริงประสูตรหรือคําตอนเพื่อได้เจ้านะ่ะเอาเพียงแค่จําเป็นสำหรับ เ, เราก็เพียงพอละไม่ต้องรู้มากก็ได้รู้เอาเพียงแค่แค่พอเอามาใช้กับตัวเราเองนะเนี่ยก็เพียงพอละคล้ายๆเหมือนเราไปไปสู่อาหารนะอหรือเราเข้าโรงแรมนะมีอาหารอได้เยอะ เราตักเพียงแค่จานสองจานเท่าที่เรารู้สึกว่าพออิ่มก็อพอแล้ว <c oughs> <c oughs> บางทีบางคนคิดว่าเอาเยอะๆนะเอาไว้กลงไว้ก่อนะ <c oughs> เอาไว้กลงไว้ก่อนนะแต่จริงธรรมะเนะี่ยมันถ้าจริงจะรู้ไว้ก่อนมันก็ได้นะนะแต่บางทีรู้มากนะบางทีก็ต้องระวังเพราะบางทีรู้มาก ก็ ค, คิดมากดูมากก็สงสัยมากนักปฏิบัติธรรมหลายคนที่ที่เรียนคาไทยอ่านเยอะฟังเยอะไปวัดนั้นวัดนี้เยอะเนี่ยไปลองหลายที่เนี่ยบางทีสับสนสับสนทําไมอ่าครูบาอาจารย์คนนั้นพูดอย่างนั้นเอ่าใครคนนั้นพูดอย่างนี้ทําไมวัดนี้สอน สอนอย่างนั้นไม่ว่าที่สอนอย่างนี้ทําไมมันมันแตกต่างกันนะมันก็สับสนนะบางทีเอาคําพูดมาตีกันมันก็สับสนนะอย่างมีคนจีนเขก็ถามว่าคือเวลาเรสอนบางทีตอนนี้ปัสสนาบางทีก็พูดถึงเรื่องเรื่องการเรียกว่าแยกรูปแยกนามนะหอาอถึงว่ากายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งนะคือตเรามีสติเราจะเห็นะ เห็นการมัส่วนหนึ่งเห็นใจมันส่วนหนึ่ ง, นนงแต่ในในคำพูดในมหายานจะมีคำพูดหลัการบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นหนึ่งเดียวกันอมา่าเนยมันไม่ได้แยกนะมันเป็นหนึ่งเดียวกันเั้งหมดมเป็นหนึ่งเดกันที่จริงมันก็ถูกอ่ะแหะนะมันก็ถูกพูดกันในแต่บางทีพอเราจัดคำพูด มันสับสนเนาะคนหนึ่งพูดว่ามันต้องมันแยกกันนะฮะรวมนามแยกกันหรือทานทั้งห้ามันแยกกันะแต่พอพูดเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันก็สับสนที่จริงมันก็ถูกมันเป็นหนึ่งเดียวกันคือสภาวะสภาวะมันปกติสภาวะไม่ทุกข์นะมันเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกันก็แล้วโดยธรรมชาตินะ แต่ธรรมชาติแนละสภาวะไม่ทุกข์สภาวะปกติเนี่ยคือสภาวะเดิมแท้ของของทุกจิตวิญญาณ น, นะแต่เพราะเราลืมเนะเราลืมธรรมชาติเนี่ยเรากดเลยไปทุกข์นะแต่การจะเห็นธรรมชาติตรเนี้มันต้องเห็นก่อนนะนะมันต้องเห็นการเรียกว่ามันอยู่ด้วยกันแต่มันสัมพันธ์กันอย่างไรนะ ขันทั้งห้ามันทํางานด้วยกันอย่างไรนะขันทั้งห้าของเรามีกันทุกคนเนี่ไหมแต่บางทีเราก็กระทบจากจากผัสะข้างนอกใช่ไมบางผัสสะมันกระทบนกระทบแล้วมันเกิดเทือนเกิดห้าเป็นฟุบเช่นนะเช่นเมื่อเราได้ยินเสียงพุกเข้ามาเมที่นี่นัต้องเคยบางทีบีเสียงเลืองได้นดัง เรือไหนได้เงินะังนะเนี่ยเดือไม่ได้กระทบเรานะแต่เสียงมันกระทบกระทบปุ๊นะเราได้ยินเสียงใจรู้สึกอย่างไรนะหูตราเงมันได้ยินอยู่แล้วะได้ยินปุ๊บนะสังเกตดูอันนี้ยใจรู้สึกอย่างไรสมมตินะใจรู้สึกไม่พอใจใจรู้สึกไม่พอใจ ที่จริงถ้าเราแค่รู้ว่าใจมันไม่พอใจนะมันจะหยุดปรุงแต่งแค่แค่ความไม่พอใจนะ่ะมันก็จะหยุดพอไม่พอใจปุ๊บรู้ทันปั๊บมันหยุดแต่ถ้าเราไม่รู้ทันนะพอไม่ไม่พอใจมันจะเกิดความคิดต่อเนี่ยอืมเกิดความคิดแบบไหนบาง ค, คนก็นั่นยจะจะบอกเขาอย่างไรดีจะเตือนเขาอย่างไรดีนะนะ ท่านท่านที่ก็เดินอยู่นะ่นะนั่งอยู่แต่องคิดนะคิดหาอุบายคิดหาวิธีเรืองทีบางคนก็ไม่ได้หาอุบานะวิธีก็แก้ปัญหาเลยว่าไปนในใจแล้วนะว่าต้างนอกไม่ได้ก็ว่าในใจอันนี้คือเรียกว่าเนะมื่อเกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์ขึ้นถ้าเราไม่รู้เฉยๆนะมันก็จะเกิดการปุมแต่งเป็นคําพูดออกมาในใจครับนะ หรือคนก็พูดออกไปข้างนอกหรือกจะทําออกไปอีกข้างนอกนักเกิดมันก็จะเกิดการกระทบเข้าไปนะซึ่งอารมณ์พวกนี้นะถ้าเรามีรู้เฉยเฉย่ะมันก็จะเป็นความกลายเป็นความทุกขนะ์นะอาจจะไม่มากนะแต่มันก็เป็นความทุกข์าภาวะทุกข์ก็คือสภาวพที่ใจไม่ปกตินะฮะที่ว่าทุกขนะ์ใจไม่ปกติคือใจมันเปนสเสเสร้อารมณ์ ตื ung, ge, ians, <med fighting> ่นใจมนไปปรุงแต่งเนี่ยที่ว่าไม่ปกติแต่คนทั่วไปจะรู้สึกว่ามันเป็นปกติคือมีสิ่งกระทบแล้วมันไม่ถูกต้องนะเช่นเสียงมันดังคนไม่มีมารยาทรู้สึกมันไม่ถูกต้องมันจะรู้สึกเราทําถูกต้องแล้วที่ได้ว่าเขาเราทาถูกต้องแล้วที่ไปนไปวิจารณ์เขาเนี่ยมันเป็นสิ่ที่ถูกต้องแ มันก็ถูกนะในทางโลกบางทีนะแต่ใจเราทำด้วยท่าทีอย่างไรปกติหรือไม่ปกตินะก็ต้องดูใจตัวเราเองนะมีนักปฏิบัติคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะไปสอนเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะในขณะที่พักเที่ยงนะไปตักอาหารก็มีนักปฏิบัติทาด้วยกัน น, น, นะก็พูดคุยกันเสียงดัง เขาก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจนะเขาบอกว่าถ้าปกติถ้าไม่พอใจเขาแบบเขาเป็นคนทำนี่เขถูกต้องแล้วนะ่ยเขาต้องไปว่าหรือว่าไปเตือนนะประมาณนะั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าความไม่พอใจใจเข้ามาอีกทีหนในะึอืมมาปฏิบัติธรรมก็แค่วันเดียวทำไมไม่สำรวมวาจาบ้างนะหรือว่าพระอาจารย์บอกแล้ว่าไม่ให้พูดทําไมพูดอนะไร ใจเริ่คิดนะแต่พอคิดปุกรู้ทันนะรู้ทันนะแล้วเขาก็รู้สฉยเฉยนะพอรู้สฉยเฉยปุ๊บนะไอความคิดนะมันก็จุดปรุงแต่งพอความคิดจุดปรุงแต่งมันก็จะเห็นความรู้สึกที่ไม่พอใจเห็นความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกไม่พอใจมันก็จะดับไปเขากลายเป็นความเป็นปกติคล้ายๆมันมันมาจาก ภาวะที่ปกติธรรมดานะมันพุ่มในหอกได้ชัดแน่หุ่มด้วยความเรียกว่าเป็นความรู้สึกนะเอ่าุ่มชั้นที่สองเป็นการปรุงแต่งบางทีเราก็ไม่รู้สึกตอนที่มันหุ่มตอนแรกตอนที่มันจะครบก็เกิดความรู้สึกขึ้นแล้วก็เป็นหุ่มชั้นที่สองเป็นการปรุงแต่งบางทีเราไม่รู้ทานดังนั้นก็นะเหมือนหยุดการปรุงแต่งพวกการแต่งหายไป เห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกพอเห็นอารมณ์เห็นควรู้สึ ก, าสกอารมณ์นั้นก็หายกลายเป็นปกติอเหมือ น, นท้ายเราแกะของอะแกะกล่องของฟันนะแกะจากอเรียกว่าห่อของฟันแกะกล่องออกเห็นของขวัญออกมาจิตใจของเราก็เหมือนกันนะสติอ่ะมันจะทําหน้าที่เหมือนมันเปิดเปิดสิ่งที่มัน มันเรียว่ามันปิดบังความจริงไวนะ้ความจริงที่มกักปิดบังจริงคือที่ตัวความคิดหลวงพ่อเทียนก็เลยบอกว่าตัวสมุดไทยอ่ะเนี่ยก็คือความคิดนะคือความคิดนะมันไปปิดบังความจริงนะคือพอเราไปที่ติดในความคิดอ่ะมันไปไปที่ติดในในกฎเกณฑ์ในถูกผิดในเหตุในผลในดีในชั่วอะไรต่างมันออกมาลูกในความคิด แล้วเราติตดที่ีิดได้ยังนะหรือเมื่ี้ไม่มีเหนคนผลมันก็มัอยู่ในรูปของความคิดปรุงแต่งทั้งนั้นพอเรารู้ทันนะมันจะหยุดการการคิดปรุงแต่งขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งพอมันแกะออกง่ออกนะมาันจะเห็นความรู้สึกอนะความรู้สึกเนี่ยเราก็ห้ามไม่ได้หรอกนะเราจะให้ใจของเราเป็นปกติเฉยๆตลอดก็เป็นไปไม่ได้ เราก็แค่แค่ตามรู้มันนะมันรู้สึกอย่างไรก็เอาเองนแัแะนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติทําเราต้องเฉยนะแต่ไม่เฉยให้เรารู้นี่คือตีนังขันนะนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องทําใจให้มันเฉยเฉยทำใจให้มันนิ่งนะิ่งทำใจให้มันไม่รู้สึกอะไรนะอย่าไปทําแบบนั้นถ้าทําแบบนั้นนะมันทําเหมือน ทำสมถะนะเป็นการเรียกว่าเป็นการย้อมจิตนะเป็นการบังคับจิตนะเราปล่อยให้เป็นธรรมชาตนะิปฏิบัติแบบเตลลัสติหรือว่าตอนเน้นให้เกิดตัววิปัสสนาเราจะไม่ห้ามความคิดแล้วเราจะไม่ไปบังคับจิตให้มันนิ่งๆให้มันจิ่เฉยให้มันมเรียบง่ายเราปล่อยให้มันเป็นธรรมชาตนะิ เกิดความพอใจขึ้นเราก็แค่รู้ว่ามันพอใจเกิดความไม่พอใจขึ้นเราก็แค่รู้ว่ามันไม่พอใจถ้าเราแค่รู้นะ่ะสภาวะลมเฉยๆนะมันจะฟันในปกติของมันเองนะมันเหคนิคมันนิดเดียวนะแต่ถ้าเราไม่รู้เฉยๆนะมันจะเราจะไม่เห็นแค้ตัวอารมณ์อนะ่ะเราจะไปติดเราจะไติใน ในสิ่ที่เป็นการป่มแต่งเป็นความคิดมีโยมเบห น, นึ่งมาเข้ามาเล่าในาื่นงังก็จึงเลื่อนพามาหานาปรึกษาเขาก็มีความความเครียดนะในการดูแลดูแลปุณยายที่ที่ป่วยนอนติดเตียงดูแลคุณญายมาเป็นตักงต่สามปีดูแลปุณยายก็เครียด ก่อนนั้นก็แบบไม่เคยมีปัญหาอะไรมากแต่เมื่อไม่นานนะ่ะดูแลตุญญ้งยาแล้วเกิดอาจจะเรียกว่ามันไม่ไหวนะครีดขึ้น <c ười> แบบไม่รู้ที่ไหนที่โรง บ, บาลหรือที่บ้านก็าต้้เราอะไรเหมือนโฮเก็บกดแล้วก็ไม่ไหวก็ร้องตะโกนที่ออกมาแล้วมันก็เป็นเป็นแผลในใจที่แบบเด็กปักปีดูแลตอนน่อดีหรือเปล่าเขามาว่าตอนนี้กาลังเป็นเรศ เหตารมันเกิดไม่นานแล้วก็ตอนนี้ผมขอมาพักรก็ไม่ถ้ากลับไปก็กลัวว่าตัวเองจะจะอารมณ์เป็นแบบนั้นอีกนะก็รู้สึกไม่ดีกับตัเองเมื่อแล้วอาจจะรู้สึกไม่ดีกับคนที่ที่เราไปทํานดะ้วยพอพูดขึ้นมานะน้ําตาก็จะไหลนะพอพูดขึ้นมาก็อารมณ์ก็ก็เริ่มให้ปกติท่ามาก็ถามตอนนี้รู้สึกยังไง เราก็ตอบนะว่าเหมือรู้สึกไม่อยากกลับไปไม่อยากกลับไปนะมันใช่ความรู้สึกไหม <c ười> มันคือความคิดนช่ไหมนะไม่อยากกลับไปนี่คือมันเป็นปรุงเป็นความคิดนะไม่อยากกลับไปก <c ười> ็จะตอบหรือเพอมัใช่เหรอนี่คือความรู้สึกเหรอมีแค่เพพูดปรับสนไปแต่ถทั้งหมดก็พูดเความคิดอนะ ประมาณนะั่นอยากกับไปกลัวกลัวที่จะเป็นแบบนั้นอีกเลยนะพูดพออกเป็นความคิด้รหมดเาแปลว่าอันนั้นคือความคิดหรือเปล่าไม่มีความรู้สึกรู้ดีๆความรู้สึก เ, เลย <c oughs> มนก็เลยไกลๆเฉยใช้โยงกัตึงอึดอัดอยู่ใช่ไหมอึดอัดใช่ไหมทำบาดใจใช่ไหมพอพูดแค่ประมานะอึดอัดประบาดใจเขาก็ เขาเข้มาเห็นหคล้ายๆเห็นความจืดผัดของะเรื่องอใช่ไหมจืดผัดจิตใจมันจืดผัดแล้วก็ก็เห็นถึงร่างกายที่จืดผัดเลยหนึ่งว่าก็ไม่ใช่แต่ใจจืดผัดร่างกายก็จืดผัดแต่พอเห็นใจที่มันจือผัดนะใจที่มันจืดผัดมันหายหายแล้วก็หยุดร้องไห้กลับมาเป็นกปกติกน่าจะกลับมาได้เก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์อะหลือกร้อยละสิบเปอร์เซ็นต์แต่ แต่ร่างกายที่ยังตื้นอัดอยค่ก็เป็นไรเพราะว่าบางกีร่างกายมพอมันถูกอะไรก็้องกระเทือนจนกระเทือนใจาทีร่างกายก็ยังตื้อัดอยู่แต่พอเขาเห็นว่าตัวเองแบบเป็นอัดใจมะเขาบอกเอาแบบสอนแบบนเบื้องต้น้วก็เออก็พูดกับตัวเองบบนะอเลย ว, เ ว, ว่าเรากำลังตื้นอัดใจเรากำลังตืง้นอัดใจ เ ข, เขาต้องุ้นกำลังติอัดใจพอพูด น, นะมันก็ทําใจให้เขาสบายขึ้นเพราะว่ามันอีิความทุกข์อ่ะคือเราเราพยายามที่จะเอาความกระตั้งออกไปอืมออกไปแล้วเราก็ไปปรุงแต่ตงในรูปของความคิดนะี่เช่นถ้าเราไม่ได้กลับบ้านไปไม่ได้เจอเหการณ์แบบไม่ต้องไปทำนั่นอีกเราจะได้ไม่ต้องติดอัดใจไม่ต้องปลนบากใจไม่ต้องทุกข์ใจ มันเป็นรูปของมารแต่งนความคิดแต่จริงแค่แค่ยอมรับความรู้สึกตื้ผตันที่มันเกิดขึ้นในใจมันก็ไม่ถูกัารตับเป็นปกติได้ได้ได้ง่ายมากแต่มันต้องไม่ใช่ว่ามันจะหายไปทั้งหมดนะแต่มันเป็นเหมือนเป็นวิธีการเป็นวิธีการมนเป็นแค่เรากลับมารู้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้น คืออัดใจก็ใหม่ๆได้เดียพูดกับตัวเองก็ได้เราก็คืออาดใจนะพอเราพูดกับตัวเองนะคือเราเยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะมันก็เหมือนสบายใจไม่ต้องแบบไปดพักใสมันออกพอยอมรับมันก็สบายแต่ถ้าไทยปฏิบัติมากกก่า น, นั้นทำได้ดีก น, นั้นก็อจะแค่รู้สึกว่ามันคืออาดใจไม่ต้องพูดก็ได้นะไม่ต้องพูดว่า เรากระเบิอารใจแล้วแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกว่า เ, าเป็นแบบนี้ก็ได้อันเนี้ยในสิการกานที่เรารู้จักอา ร, รมณ์ของตัวเอง๋ยนะพอเราเห็นพุ๊มันจะมันจะไม่เป็นไรมันเหมือนเห็นนะ่ะเออเป็นเด็กอเนี้ยอือพพ่อครเกียรติเนบอกว่าเมื่อเราเห็นมูมูมันก็ไม่กัดเราเนี่ยมันเราเดินถ้าเราเห็นมูพุเน่บเราก็จะหยุดใช่ไหม ก็จะมีระยะห่างแต่สักพักดูไปเรื่อยมงก็งหีเราเห็นอาการในจิตของเราก็เหมือนกันเห็นปุ๊บนะ่ะมันเหมือนเราจะเห็นระยะห่างนะว่าไออา ก, ก, การมันเป็นสิ่ที่ถูกเห็นสติในตอนนี้นมันเป็นผู้เห็นมันจะรู้สึกไหมว่าเหมือนเราเห็นงูหรือเราเห็นหมานจ้องดูไปปั๊บมันจะเห็นไป นั่นการมีสติมุ่งใจเป็นนนะั่นแหละมันก็เรเห็นปุกบมันจะมีเหมือนเหมือนช่องว่างระหว่างสิ่งที่เห็นกับอาการที่ที่เห็นนะสิ่งที่ถูกรู้กับไอตัวผู้รู้นะนะหรือว่าสติกับอาการนะสติที่เป็นตัวรู้กับอาการที่ถูกรู้นะมันจะมีความสึกเหมือนะไรอ๋อเป็นแบบนี้อืมเรื่องถ้ า, าการมุ่ใจมุ่ใจเห็น ค่อข้างชัดอาการของกายเองก็บางทีบางคนไม่เห็นสังเกตเห็นถึงจิตใจแบบนี้อาจจะเริ่มต้นด้วยร่างกายก็ได้นะดูร่างกายก็ได้ไม่ผิดนะอืมอย่างไปเยี่ยมคนป่วยทนะ่านหนึ่งนะก็ไปเยี่ยมคนป่วยลูกเขาก็คงป่วยอนะ่ัแม่ก็อยู่ค่ำค้างเตียงตอนแรกก็เยี่ยมเตียงอื่นก่อนนะ เขเห็นเขาดีละเห็นเขาเศร้าๆพยาบาลีัยไม่พาไปก็ไปเองการรู้สึกว่าเขาเศร้าๆน่าจะไปคุยสักหน่อยแต่พอยิ้มพาไปอยิ่งร้องไห้เลยแม่น่ะร้องไห้ลูกก็ร้องไห้เหมือนกันอ่ะแต่ลูกก็จะร้องไม่นต่างมากเพราจาะคอใส่ท่ออะไรนี่แหละก็ดูน่าจะป่วยหนักเก่ย แต่แม่พอเห็นพระไปก็ร้องไห้จับมือลูกก็ร้องไห้เขาพูดอะไรไม่ออกนะเวลาร้องไห้พอมนให้หมอเนะที่เป็นนักศึกษาแพทย์รูปหลานเข้าหน่อยที่โรงพยาบาลลูางเหม่อืเขเป็นผู้หญิงมักก mm ็ใ hmm. ห้หมอผู้หญิงลูกลานเป็ไงบ้างเขาก็ยังคงร้องไห้อยู่นะก็คงเออ มีอารมณ์มีความคิดอะไรเป็นในใจก็เลยคเดี๋ยวลองแบบนี้คือกันสิลอ ง, ง, องลองหายใจเข้าเลยสิหายใจออกน่ะมาก็พาทำหายใจเข้าหายใจออกตามรอบน่ะก็ห ย, ยุดกระื่นร้องไห้ได้เ <c ười> นี่อยก็หยุดได้น่ะก็ห ย, ยุดหยุดไปของเขาเององ่ะก็หยุด คือพอเขากลับเ้าเขาตาตามนะเขาหายใจกลับมาหายใจกัมาก็นิ่งขึ้นนิ่งขึ้นมานะก็บอกเขาว่าโยมโยมถ้าอยากเด็ช่วยลูกนะนะี่แหละโยมจับมือลูกแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกให้มีสติรู้สึกตัวนะนะให้ถ้าเรารู้สึกตัวถ้าเรานิ่งนะ มรู้สึกตัวความสงบของเราจะก็งไปถึงลูกไนดะ้เขาก็พยายามทำนะมันทแต่บางครั้งก<ๆ>็ก็เผลอไปเผลอไปคิดเผลอไปจมกับอารมณ์บ้นะางก็ทํมรู้สึกหายใจไว้ที <K: S 1> เขาก็ได้สติกลับมาใหมนะ่มันก็เป็นแบบนี้ น, นะ <K: S 1> คือที่จริงพอมีสติก้อนหนึ่งมันเห็นผลชัดมาก ไม่ว่าจากการที่แค่เห็นเห็นจิตใจมันคืออักก็ดีนะมันเห็นผลแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วมากหรือว่าเห็นเอ่อควตัดมาดูความรู้สึกเช่นลมหายใจก็ดีนะมันตัดมาเรงวมากมม่เหมือนเด็กอะ่ะเราสัเกตาเด็กวันนี้ขอลองให้หร้องแง่ร้งงงองแก็ได้ขอพุ่งยิ้มทันทีนะมันจิตมันเปลี่ยนเร็วมาก แน่แหละนะความสึกตัวมันก็มันก็มีคุณมากถ้าเราสังเกตดูร่างกายหรือสังเกตดูงจิตใจนะให้เรียกว่าสังเกตเป็นนะเราก็จะเห็นว่าท่าภาวะมันจะกลับมาเป็นปกติได้ของมันเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วความเป็นปกตินะั้นมันมีอยู่แล้วเนหะ็นไหมว่าเรานึง คาว่าขาดดสติก็คือดึงตัวนะั่นแหละก็ไม่มีอะไรน่าหรุดนะขาดสติไม่ใช่ว่าเราไม่ดีแย่อะไรนะเราก็แค่ดึงตัวคาว่าดึงตัวก็คือดึงด้านกายไนะปอยู่กับความคิดไปอยู่กับอารมณ์หรือดึงตัวอย่างก็คือดึงรู้ว่าตอนนี้จิตใจมีรู้สึกอย่างไรนกะารรู้สึกตัวก็คือกนะารกลับมารู้ร่างกายก็ได้นะร่างกาย ชักที่ตรงไหนก็รู nei, ้ท like right <t> ี mm ่ตรงนั้นเป็นการรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะไม่ใช่่าเป็นจ้องดูตัวเองทั้งตัวทำใมารู้สึกตัวทั่วพร้อมน่ยคือเราผ่อนคลายร่างกายให้เป็นธรรมชาติสภาวะของกายส่วนไหนมันเด่นเราก็รู้สึกการปิกมือเด่นเราก็รู้สึกการยกมือเด่นเราก็รู้สึกการเดินเหยียบเด่นก็รู้สึก หรือลมกระทบเด่นเราก็รู้สึกนะหรือบางครั้งหายใจเข้ามารู้สึกนะนะสติมันจะไม่ติดจ้องที่ใดที่หนึ่งนะแต่การทำสมาธิเนี่ยเราจะเอาอารมณ์เดียวให้มันแน่วแน่นะไม่วอกแวกไปที่ไหนแต่การเดินสติเนี่ยอาจจะมีหลักอาจจะมีหลักนะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นเกาะหลักตลอดเวลา มันเหมือ น, นไปใช้า อ, อมีมีหลักไว้แต่ก็รู้ในในทางในร่างกายที่มันเกิดขึ้นจริงเท่ัทนแหละคล้ายๆเหมือนกับเราเดินสะพานที่สุกรนะโตนั่นจะมีสะพานข้ามข้ามสระนะข้างๆก็จะมีเด็กเป็นราวเล็กๆนะแต่คือเราเอาเดินน่ะเราก็เดินตรงกลางนะ แต่ถ้าเราเซ่แล้วก็เหมืนอนพยุงพยุงราวนิดนึง <c oughs> แต่เราเห็นบางคนกลัวก็จะกาะราวกอะราวแน่นก็เดินแบบช้ชาๆเพราะกลัวการกาะราวเหมือนสมาทนะันเหมือนเกาะไปเรื่ยไม่ยอมปล่อยะอ่แต่เกาะแล้กวกลัวกลัวมือมันหลุดจากลาวไม่กล้าเดินแต่เรา ทำเจนสตินะเหมือนเราเดินตรงกัางอะไนะเมื่อเราหลงไปนะก็มีหลักไว้ให้กลับมาหลงไปมีหลักไว้ให้กลับมาอมาแต่ก่อนเคยเปรียบเทียบเลยเหมือนแต่ก่อนมันเหมือนสรมติถนนนะเหมือนถนนเอาถนง่ายๆเหมือนทางตองเลงก็ได้นะทางสุดตรงนะเหมือนตบถนนฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะ ทางสุตรงทางหนึ่งคือเหมือนทางที่เพ่งไฟทางสุตรงทางหนึ่งคือทางที่ย่อนไฟถนนเป็นสองเลน ก, กว้างนะแต่สุดตรงก็กว้างเหมือนกันแหละแต่ก่อนเรารู้สึกว่าอ่าทางตรงกลางเนี่ยมันก็กว้างกพอสมควรก็คือการที่ไม่เป็นสุดโต่งสองด้านเพือนที่จริงใหม่ๆ ม, มันก็ถูกแล้วแหละ แ, แรกๆก็รู้ทันในความสุดโต่งทั้งสองด้านระหว่างเพ่งกับเผลอทางตรงกลางก็คือทางที่ไม่เพง่งไม่เผลอแต่พอทําไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกว่าไอ้ที่มันถูกนิดนึงมันแค่ตรงกลางจริงๆมันคือเหมือนเส้นการเป็นการที่แบ่งช่องถนนตรงกลางนะเส็นประปกลางออกซ้ายออกขวานิดนึงมันก็ถือว่าเหมือนไม่ไม่กลางครับ เหมือนใจเราแบบสมมติเมื่อสมมติเกิดความคิดขึ้นมาปุ๊บนะสติรู้ทันปั๊บก็เกิดความพอใจนิดหนึ่งมันจะแต่ก่อนแล้วก็เออดีฮที่เรารู้ทันมันโหนไปแต่เราไม่รู้ทันแล้วเราเกิดไปพอใจมันจะแต่ก่อนเราไม่รู้อ่ะแต่ตอนหลังเราเห็นที่จริงให้การพอใจนิดหนึ่งมันก็คือการโหนจากกอเป็นกลางเป็นโอ้ห์นะ เป็นเแต่ก่อนเด่นทางตรงกลางเหมือนกว้างนะแต่พอภามาไปเรื่อยๆจริงโอ้ที่จริงเราก็ยังไม่ค่อยเป่นกางเท่าไหร่ยังมีสภาวะที่เผยทอดเผยชันนิดหน่อยๆนะมาพอใจในความสุขน่ะหรือว่าหมุดหิดในความทุกข์เล็กๆน้อยๆแม้เราไม่ไทุกข์มากนะแต่มันเสียความเป็นการนิดนึงเนี่ยข้อแเริ่มเห็นอันนี้จะละเกียดขึ้นนะแต่อันนี้ไม่ใช่คิดเอานะ แต่มันจะปฏิบัติแล้วมันจะรู้สึกได้ถ้ามันจะค่อยๆเห็นอ๋อที่จริงที่จริงตอนแรกที่เราคิดว่าเราทำถูกแล้วเข้าใจแล้วมันจะเห็นว่าอ๋อยังมีความเข้าใจผิดพลาดเคลื่อนไม่้อยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเหมือนตั้มเองนะมันจะมันก็มันก็เกิดความเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นเหมือนกันเข้อกว่ามันจะเข้าใจมันก็ต้องใช้เวลาะใช้ประสบการณ์ ใหม่ๆมนก็ปูกอ่แล้วก็ต้องสอนแบบนั้นแต่พอภาวนา้วได้มันไหวนิดนึงเนี่ยนะก็เขรู้สึกแล้วมันไม่ปกตินะนะการเจริญสตินะเราจะทําให้เรานะเข้าใจสภาวะพวกนี้นะแต่มันก็ต้องต้องปฏิบัติเอานะก็ <c oughs> แค่พูดให้ให้เราเห็นนะเวลาเราปฏิบัติแล้วก็คอยมาสังเกตนะสังเกตสภาวะ ความรู้สึกของกายหรือความรู้สึกของใจที่เกิดขึ้นนักสนะังเกตดูต้องการใส่ประสบการณ์ทำกันนักก็สองสามวันนี้ก็จะได้เป็นเพื่อนร่วมกันปฏิบัติมีอะไรสงสัยก็ก็ค่อยพูดคุยพัฒนากันนะก็ในคั้งนี้ก็พอสมควนเกินปวลา